เมื่อวานไปเทศที่อายุทยาคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเนี่ยก็เยอะเลยแต่เขาฟังซีดีส่งกันบ้านน่ารักน่าฟังคือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนะี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองมีเหตุมีผลนะมีขั้นตอนในการปฏิบัติเพราะทำอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างนี้นะ ทำสิ่งนี้มีผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนซึ่งมันไม่มีในที่ทั่วๆไปคําสอนทั่วๆไปส่วนใหญ่มจะเป็นเรื่องสอนให้เชื่อต้องเชื่อก่อนอย่างเริ่มต้นต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงๆถ้าบอกไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะคําสอนจะล้มทั้งระบบเลยจะไม่เหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเนะี่ยมันไม่มีใครขาดง้างได้ใครเถียงได้เพราะมีสมุทยัยมีความอยากมีตัณหาก็ลเลยมีทุกขนะ์พอเจริญมรรคถูกต้องนะก็สัมผัสนิโรธอนิพพานนะคําสอนอย่างนี้ไม่มีใครสอน สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะงดงามมากเลยจะ ต, ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความภาคเพียรในการเรียนรู้ผู้ได้เจ้าท่านบอกว่าท่านประกาศธรรมจักท่านหมุนกรงล้อของธรรมมาไปแล้วไม่มีใครต้านทานได้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครเถียงอริยสัจได้เลยเป็นสัจจะที่ทำให้คนธรรมดาอย่างพวกเรา กลายเป็นพระอริยะเรียกอริ ย, ยสัจจะสัจจะที่พระอริยะรู้อุตุชนไม่รู้คําว่าอริยสัจแปลได้หลายอย่างสัจจะที่ทําให้อุตุชนกลายเป็นพระอริยะสัจจะที่พระอริยะรู้แจ้งอุตุชนไม่มีทางรู้แจ้งเลยนึกก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ถึงอย่าง ทุกเนี่ยท่านให้รู้ใครๆก็ไม่อยากรู้ทุกใครๆก็อยากจะละทุกสมุทัยคือตันหาใครๆก็อยากสนองตันหาท่านให้ละตันหาของเราเวลามีความอยากเกิดขึ้นเราพยายามสนองความอยากรู้สึกไหมอยากดูหนังก็ต้องดูหนังแล้วสบายใจถ้าไม่ได้ดูหนังไม่ได้สนองไม่สบายใจอยากกินน้นกินนี่นะ ได้สนองมันก็สบายใจมีความสุขไม่ได้สนองมันก็ไม่สบายใจมีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ในขณะที่คนทั่วไปในเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ล้าสมุทยัยล้าตัณหาในขณะที่คนทั่วๆไปเนี่ยมุ่งสนองตัณหาดังั้นคำสอนของท่านนะ่ะสวนกระแสะโลกมากเลยท่านสอนให้เข้าไปแจ้งเข้าไปประจักษ์ เขาไปรู้เห็นพนิพพานไม่ได้สอนให้ทํานิพพานให้เกิดของเราก็คิดแต่ว่าถ้าเราภาวนาดีๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเกิดนิพพานขึ้นมาในใจเรานิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วแต่ไม่เห็นเองนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลๆสุดเอื้อม นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราเนี้แะแต่จิตเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเท่านั้นเองนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นความอยากใจเรามีความอยากเราก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งจิตไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งนะถึงจะเห็นนิพพานจิตของเราดิ้นรนปรุงแต่งเราก็เลยไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นจักขัน จิตนัพ้นไปจากขันนะถึงจะเจอพระนิพพานของเราก็รักกายรักใจหวงแหนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นตัวเราของเราหวงเมื่อไรไม่เห็นว่า น, นิพพานสักทีทั้งๆ ท, ที่อยู่ต่อหน้านี้เองแต่ไม่เห็นะท่านสอนให้เราเข้าไปเห็นไม่ต้องทําอะไรแค่เห็นแค่ประจักษ์แค่แจ่มแจ้งก็เข้าไปเห็นเท่า น, นั้นเอง มักของคนทั่วไปนะมักเนี่ยถ้าไม่หย่อนไปก็ตึงไปมักของพระพเจ้าเป็นทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปการปฏิบัติเนี่ยคนก็อยากสแสวงหาความพ้นทุกข์กันคิดว่าจุดที่พ้นทุกข์นั่นแหละจุดสูงสุดนะถ้าเป็นชาวพุทธเป็นอะไรก็เรียกว่านิพพานพวกเชนชินะเขก็มีนิพพาน พวกผาล์มเขาก็บอกว่าการได้ไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเป็นจุดสูงสุดนี่วิธีที่จะไปสู่จุดสูงสุดซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนนีมันไม่เหมือนกันบางพวกก็ย่อนไปบางพวกก็คิดแต่ว่าต้องตามใจกิเลสถึงจะหมดความทุกข์งั้นเราพยายามสนองกิเลสตัณหาตลอดเวลานะ อยางพยายามพัฒนาเศรษฐกิจมากเลยแข่งกันบริโภคนะแข่งกันผลิตนะแข่งกันบริโภคใครบริโภคได้มากก็ถือว่าจเจริญเมื่อก่อนมีดัดชนีวัดความจเจริญของประเทศอยู่บางตัวนะทุเรศมากเลยคือการบริโภคพลังงานประเทศไหนบริโภคพลังงานมากนะถือว่าจเจริญมากป ร, ประเทศ ไม่ใช้พลังงานนะใช้น้อยถือว่าด้วความเจริญดุสิมันเอาการบริโภคมาวัดความเจริญมันก็แข่งกันบริโภคนะื่อเบียดเบียนธรรมชาติทรัพยากรเลยหายนะหมดเนี่ยมุ่งสนองกิเลสนะคิดว่าสนองกิเลสได้แล้วจะดีมีเงินมากแล้วจะดีสมัยจำผลสลิดพวกเราใครเกิดละพวกนี้ต้องอาวุโสและ ลูกเล็กเด็กน้อยไม่เกิดสมัยจอมผลสลิตนะเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อฝรั่งเอาตามฝรั่งนั่นแหละเพิ่มผ ล, ผลผลิตเพิ่มรายได้เมื่อปี2504ผู้ใหญ่ลีเลยตีกลองประชุมเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจสั่งมาจากข้างบนเลยจะทำโน่นจะทำ น, น, ทำนี่สั่งเอา ไม่ได้รู้เรื่องเลยชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงก็สั่งเอาอย่างเดียวพยายามกระตุ้นให้ทำงานให้มากให้บริโภคให้มากเงินคืองานอะไรงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขมีเงินแล้วก็บรรดาลสุขแก้เอาเงินซื้อความสุขก็คือต้องบริโภคนั่นเองทิศทางของเรานะมุ่งมาอย่างนี้ ยันหลังๆในหลวงท่านตนไม่ไหวท่านเลยพูดเรื่องพอเพียงขึ้นมาเพราะว่าแข่งกันบริโภคทรัพยากรอาหายนะ้ำหมดไม่มีอะไรเหลือทำลายล้างหมดเลยเนี่ยการที่อยากหาความสุขนะด้วยการสนองกิเลสไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกตอบสนองได้แค่นี้นะก็ไม่พอใจต้องมากกว่านี้อีก มีเงินล้านหนึ่งไม่พอใจต้องมีสิบล้านสิบล้านไม่พอใจต้องมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านขึ้นไปบางคนมีตั้งหลายหมื่นล้านยังไม่มีความสุขเลยนะยังหาไม่เลิกเลยไม่มีเวลาใช้เงินออกมีแต่เวลาหาเงิ น, นการที่มุ่งตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆนะตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ทางสายกลางเป็นทางที่ย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลส ในทางพระทขาเรียกว่าการมาสุ ข, ขลิการนุโยคคือสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผู้ถะพะที่เพลิดเพลินเอาเงินซื้อมาเนี่ยคนทั่วๆไปมันก็คิดได้แค่นี้วิธีจะมีความสุขก็มีเงินเยอะๆบริโภคให้มากอยากได้อะไรก็ได้นี่อะไรมีความสุขเ <นะ S 1> มื่อวานไปเทศที่อายุทยาปาร์นะ เป็นศูนย์การค้าทั้งชั้นเลยนะใหญ่โตมโหฬาร น, นะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไอทีมือถือนะเยอะแยะไปหมดเลยตั้งบูดขายกันเต็มไปหมดเลยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วตาลายนะแล้วมันก็ต้องแย่งเงินขายโอ้โหยมันบริโภคกันนะมหาศาลเลยรวมๆแล้วอาจจะมากกว่าคนจังหวัดอายุทยาละมังอุปกรณ์พวกเนี้ยนะ เนื้อเต็มบ้านเต็มเมืองนะได้บริโภคก็รู้สึกมีความสุขเส้นทางนี้มันไม่เต็มมันไม่อิ่มหรอกพระพุทธเจ้าท่านพบ ว, ว่าความอยากนะั้นมันเพิ่มตลอดเวลาสนองมันเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกเพราะมันเพิ่มตลอดเวลามันไม่ได้อยู่กับที่ได้แค่นี้ก็อยากได้แค่โน้นไปเรื่อยอีกเส้นทางหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางของนักบวช กลับข้างกับชาวโลกชาวโลกเขาก็จะตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขาริการุโยกนักบวชก็กลับข้างนะข่มกิเลสข่มใจตัวเองนะบางพวกก็ข่มแรงอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะหรือจิตฟุ้งซ่านก็น้อมเข้าฌานนะจิตจะออกไปจับอารมณ์ไม่เอาเข้าไปอยู่ในความว่างอนะไรางี้ ข่มตัวเองนะบังคับกายบังคับใจฝึกกายฝึกใจไม่ตามใจกิเลสเอาเข้าจริงก็คือตามใจกิเลสนั่นแหละแต่ตามใจในทางเนกาทีฟในทางลบเวลาตะกะขึ้นมาพวกตามใจในทางบวกก็คือตามใจกิเลสไปหาะลรกินอุตลุดเลยพวกตามใจในทางลบยอมแพ้มันนั่นแหละแต่ว่าตามทางลบมไม่กิน อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะทำตัวเองให้ลำบากคิดถึงการปฏิบัติทำเตรียมตัวเดินจงกรม mm hmm. ระวังฟอร์มมากเลยในการเดินจงกรมบางคนฟอร์มจัดนะควาจะเดินก้าวหนึ่งเนี่ยนานมากเลยโอวอย่างนี้ถ้าหมาบ้าไล่กัดหรือควายขีดนะักมือกาหนดอยู่นั่นนะ่ะถูกกัดถูกขิดตายแน่นอนเลยนะไม่ทันหรอก ทําจะนั่งสมาธินะพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายให้เธอคูบันลังคู่บันลังให้นั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งท่านี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้เหรอนั่งได้ก็แต่สมัยโน้นพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งพระนั่งกับพื้นถ้านั่งที่พื้นท่นไม่ได้บอกให้นั่งพระเพียบไม่รู้ใครคิดขึ้นมานะถ้าท่าเพียบเนี่ยเป็นท่าทําลายกระดูกอย่างดีเลยนะ พวกเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะหลวงพ่อไม่ว่านะนั่งขัดสมาธินั่งอะไรดีกว่านั่งพับเพียบกระดูกเสียหมดพวกพระนะอายุเยอะเข้าพิการเยอะเลยกระดูกเสียหมดพระเจ้าสอนให้นั่งขัดสมาธิมันเป็นท่านั่งที่สบายที่สุดที่สูดทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้า หายใจออกยาวให้รู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหาย ใ, ใจเข้ายาวสอนง่ายๆไม่มีบอกเลยพิสูจน์ทั้งหลายวางฟอร์มไว้นั่งต้องนั่งท่าอย่างนี้นะนิ้วมือต้องอยู่ตรงนี้นะมีหลายพวกนะหลายที่เถียงกันว่าไหนถูกเนี่นิ้วโป้งจดกันก็มีนิ้วโป้งจดก็นิ้วชี้ก็มีนะซ้อนกันอย่างนี้เลยก็มีนะ สารพัดเลยบางพวกนั่งอย่างนี้เหมือนจะเตรียมชกในชอบกนนไปดูรูปสมเด็จโตมาคระเจไม่ได้สอนนั่งท่าไหนก็ได้นะให้มันสบายนะให้มันสบายแต่ไม่สบายแบบเครืลองนั่งเอาหัวพาดเตียงนะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวมันก็สลบแนละ้วาบอกนั่งตรงๆแสดว่าไม่ได้เอาหัวไปพาดที่ไหน ขู่บัลลังก์ตั้งกายตรงไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยนะนั่งธรรมดานี่เองนั่งอย่างที่กำลังนั่งอยู่นี่แหละเพียงแต่ว่าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกสิ่งที่เพิ่มมาจากชีวิตปกติก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหลนะนี่เราก็จะต้องหวางฟอมนั่งต้องนั่งอย่างนี้นะเดินต้องเดินท่านี้เถี่ยงกันนะบางที่เดินท่านี้ถึงจะถูกแต่ละก้าวต้องยาวแค่นี้ ก็บางคนเป็นขาสั้นบางคนเป็นขายาวอะ่ะทําไมก้าวต้องยาวเท่ากันนะก้าวไข่ก้าวมันไม่ใช่ฝึกโยาธาทิศนี่นะ <c oughs> เดินให้เหมือนๆกันหมดเลยในการที่มาพอคิดถึงการปฏิบัตินะเริ่มบังคับร่างกายบังคับจิตใจพอระวังฟอร์มในร่างกายได้ที่เราก็เริ่มบังคับใจเอาทุกคนต่อไปนี้นั่งสมาธิซิ อา้าตั้งจริงๆเรียนก็เรียนมันภาคปฏิบัติมันไม่ได้เรียนปริยัตเห็นไหมเริ่มวางฟอร์มทางร่างกายก่อนล้รู้สึกไหมแล้วอีกสักพักหนึ่งอาจจะวางฟอร์มทางใจพอขยับได้ที่อ่ะนะแมมหลวงพ่อว่าดักหน้าไว้เลยดีเลยเนาะส่วนใหญ่ใช้ได้เลยนะ <c oughs> เอาแล้วถอยออกมาได้ก็ น, น, นั่งไปด้วยความรู้สึกตัวเท่านั้นเอง นั่งตปก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจมันเป็นคนดูนะหรือนั่งเราร้อนนั่งพัดนะนี่พัดแล้วใจลอยนะพัดน์ไปก็ใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูนะให้มันมีสติไวนะ้รู้สึกตัวมีสติไปนั่งสบายๆเนี่ยนักปฏิบัตินะ เวลาลงมือทาเนี่ยมันจะพลิกไปทางอัตตะกิลมัานุโยกทาตัวเองให้ลาบากในขณะที่ชาวโลกเนี่ยมันจะพลิกไปสู่การมสศุขาริการนุโยกทำตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางไม่สุดโต่งไปสองฝั่งเหมือนคนทั่วๆไปไม่สุดโต่งไปเหมือนพวกนักบวชทั้งหลาย สุดโตรงไอ้คนเราฟังคนทั่วๆไปก็ตามใจกิเลสพวกนักบวชทั้งหลายก็บังคับกายบังคับใจทางสายกลางเนี่ยทางของสติของสมาธิของปัญญามีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสติเป็นตัวสําคัญมากถ้าขาดสติจะไม่มีศีลขาดสติจะไม่มีสมาธิ ขาดสติจะไม่มีปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานะั้นเป็นของดีเป็นกุศลสมาธิสติปัญญาเนี่ยเป็นกุศล 100% เสมาธิมีทั้งแบบที่เป็นกุศลและแบบที่เป็นอกุศลถ้าประกอบด้วยสติเข้ามาแล้วก็สมาธิอันนั้นถึงจะเป็นสมาธิแบบกุศลเมื่อสมัยหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะ ยี 23, ่สปีผ่านมา10ปีตอนบวชใหม่ๆจนถึงบวชใหม่ๆคนทําสมาธิแบบอกุศลเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยสมาธิที่เป็นกุศลจริงๆไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่นั่งสมาธินั่งเอาเคลิ้มนั่งให้ขาดสติคิดว่าขาสตินี่แหละสงบถ้าขาสติไม่ใช่สงบนะมันลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเรียกสลบไม่ใช่สงบนะ ไม่รู้ตัวเลยลืมไปเลยอีกพวกหนึ่งก็นั่งด้วยความเคร่งเครียดพวกนั่งแล้วเคลิมไปเนี้ยโมหะและโลภะมันแทรกพวกนั่งแล้วเครียดเนี้ยโมหะและโทสะมันแทรกนะงั้นมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยกิเลสใช้ไม่ได้เลยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทาสมาธิไม่เป็นนะ กระทั่งคนที่ว่าทำสมาธินะบางที่นั่งสมาธิกันโตรุ่งนั่งไม่เป็นหรอกนั่งแล้วไม่มีสติเมื่อไรมีสติเนี่ยมีกุศลนะเนี่ยทางสายกลางนะมีศีลที่ถูกต้องมีศีลนันยิงเรียกว่าอาธิศีศีนันยิง น, นงศีลอัตโนมัติมีอาธิจิตมีจิตอันยิงคือมีจิตที่ตั้งมั่นจนถึงขั้นตั้งมั่น อ, นอัตโนมัต เป็นสมาธิอันยิ่งนะมีปัญญาอันยิ่งนังนง่นเองอาธิปัญญาคือเห็นใจลักโดยที่ไม่ต้องคิดเหนอนะเห็นรูปนามแสดงใจลักเนื่เส้นทางเดินนะของทางสายกลางไม่ได้ตามใจกิเลสไม่ได้ทรมานกายทรมานใจนะเป็นทางของศีลที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้อง แล้วหลุดพ้นไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ถูกต้องมีศีลที่ถูกต้องขึ้นมาเพื่อให้มีสมาธิที่ถูกต้องนะเกื้อหนุนสมาธิที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อจะเจริญปัญญาได้อย่างถูกต้องเมื่อเจริญปัญญาได้ถูกต้องนะจิตมีปัญญาแล้วบุกคนถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา เห็นไหมไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสจากกองทุกข์ทั้งหลายนะด้วยการตามใจกิเลสแต่หลุดด้วยปัญญาไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลายด้วยการบังคับกดข่มร่างกายจิตใจให้เคร่งเครียดแต่หลดหลุดพ้นไปด้วยปัญญาดังนะนั้นทางแห่งปัญญานี่แหละนะคือทางแห่งพุท ธ, ธะนะพุท ธ, ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ด้วยสติด้วยปัญญานี่เองพวกเรามีบุญมากนะเราได้เป็นชาวพุทธมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เลิศด้วยปัญญานะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระสารีบุตรนะท่านเคยบรรลุสีหานาตออกมาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดเลยเนี่ยที่ทรงปัญญาแก่กล้านะ สูงที่สุดก็เท่ากับพระสมณะโค ด, ดมองนี้เท่านั้นแหละนะมากกว่านี้ไม่มีเลยนะท่านบรรลือศีนนาตอย่างนี้พนระพุทธเจ้ารับรองนะเดินด้วยปัญญาเป็นเส้นทางที่เรียบง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดนะอย่าพระศีริยะเมตรัรเดินด้วยวิริยะนานมากนะภนะาเพียร น, นา น, านบางง์ท่านเดินด้วย สมาธิเป็นหลักใช้เวลานานเหมือนกันแต่ไม่เท่าที่ท่านภาคเพียรเอามีศรัทธาแล้วภาคเพียรเอาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เลิ่มนด้วยปัญญาศา ส, สนาพุทธนั้นไม่ว่าจะเริ่มมาจากอะไรแต่ลงท้ายต้องลงมาที่ปัญญาเพราะเป็นตัวที่ทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นยิ่งนั้นท่านสอนธรรมะนะได้ไม่มีใครเหมือนนะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดยิ่งกว่านี้เท่ากันไม่มี แต่ยิ่งกว่านี้ไม่มีงั้นเราไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าในอนาคตหรอกถ้าพระพุทธเจ้าที่สอนได้ชำนี้ชํนานาญที่สุดอย่างนี้เรายังเรียนไม่ได้นะไปเจอพระเมตไตรฮะท่านคงพาเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนั่นนะ่ะไม่มีให้ได้สบายหรอกนะพระท่านทํามาเน้นมาทางด้านนั้นนะ พวกเรายุคนี้ก็แปลกนะบางทีเราก็ไปสนใจพระพุทธเจ้าในอดีตนะพระเจ้าเจ้าอาดีตบางพวกก็ไปสนใจพระพุทธเจ้าอนาคตภาษีอรยิยเมตไตรไม่สนใจอยู่องค์เดียวคือองค์ปัจจุบัน <laughs> อันนีธรร้ธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยแต่ถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์นะองค์ปัจจุบันเนี่ยเหมาะแล้วนะ สอนเราสะดวกสบายที่สุดลนะส่วนที่ไปสนใจพระพุทธเจ้าอดีตพระพุทธเจ้าอนาคตเนี่ยส่วนมากหวังความช่วยเหลือปัจจุบันต้องช่วยตัวเองง mm hmm. ั้นหวังความช่วยเหลือหวังโชคลาภหวังอะไรฟลุกฟุกนะหวังพลังงานอะไรจะมุ่งไปทางนั้นนะแต่ถ้าหวังความหลุดพ้นนะต้องปัจจุบันเพราะว่า การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องปัจจุบันวงเล็บเท่านั้นนะคำสอนของพระเจ้านี่นะถึงอัศจรรย์นะไม่มีใครต้านนะทุกท่านให้รู้นะแทนที่จะละเหมือนคนทั่วไปสมู ท, ทยัยนะท่านให้ละแทนที่จะให้ตอบสนองหรือแกล้งมัน น, ะนิโรดนิพพานนีท่านสอนให้ทำให้แจ้ง ไม่ใช่ทำให้เกิดไม่ได้ให้เข้าไปครอบครองด้วยบางท่านมุ่งครอบครองพระนิพพานรึกออกไหมมีคำสอนอย่างนี้เยอะนะจะเข้าไปครอบครองพระนิพพานนิพพานไม่มีเจ้าของนิพพานเป็นอนัตตานะไม่ใช่เอาไวค้ครอบครองท่านไม่ได้สอนให้เข้าไปครอบครองพระนิพพานท่านสอนให้เข้าไปเห็นให้แจ้งพระนิพพานนะ ถ้าเข้าไปครอบครองพนิพพานจะไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่นเลยจะขอไปอยู่ในสวรรค์ไปรวมกับพระเจ้าไม่ใช่คำสอนของพรพุทธเจ้ามรรคท่านให้เจริญมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยย่อลงมาให้เจริญเจริญด้วยอะไรด้วยความมีสติเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นได้สร้างความเจริญอยู่เนะพระทันทีที่เกิดสติ อกุศลที่กําลังมีอยู่จะดับอัตโนมัตินะอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติกุศลที่ยังไม่มีก็จะเกิดมีขึ้นมานะเพราะตัวสติเป็นตัวกุศลนะและกุศลอื่นๆก็ประกอบด้วยสติทั้งสิ้นเลยนะปัญญาไม่ประกอบด้วยสติก็ไม่ได้ศนะีลไม่ประกอบด้วยสติก็ไม่ได้สมาธิไม่ประกอบด้วยสติก็เป็นมิจฉาสมาธิไป งั้นก่อนที่เราจะพัฒนาองค์มรรคของเราให้เจริญนะศีลสมาธิปัญญาให้แก่รอบนี่ยก็ต้องมหัดเจริญสติให้มากการหัดเจริญสตินี่พุทธเจ้าสอนวิธีการเอาไว้ในเรื่องของสติปัฏฐา น, นเรียนสติปัฏฐานต้องเรียนให้ดีนะฟังให้ดีอย่าให้คลาดเคลื่อนไปที่คลาดเคลื่อนนั้นเยอะมากเลย ต้องฝึกสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเมื่อฝึกสติปัฏฐานเกิดสติได้แล้วต่อไปเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญามีสองอันนะเบื้องต้นฝึกสติปัฏฐานให้มีสติทำไมต้องฝึกสติปัฏฐานให้มีสติสติปัฏฐานก็คือการมีสติระลึกรู้รูปนากายใจของเรานี่เองทำไมไม่เอาสติไปรู้ของอื่น ทำไมมีสติมารู้ที่กายที่ใจรู้อยู่ที่กายที่ใจเพื่อแจ่มแจ้งในวันหนึ่งปัญญาเกิดนะก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยึดถือในกายในใจสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะหลุดพ้นจิตนั้นพลากออกจากขันนะสลัดคืนขันให้โลกไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกลนะเ ะ, ะน้นต้องมาดูที่กายที่ใจของเราไปดูของข้างนอกไม่ดีเลย ถึงไงก็ต้องวันหนึ่งต้องวกกลับเข้ามาที่กายที่ใจอยู่ดีโดยเฉพาะการรวมเข้ามาถึงใจนี่เป็นเรื่องสาคัญมากการภาวนานะถ้าจิตไม่เข้ามามีสติเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเราเองเนะี่ยไม่ได้แก่นสารสา ร, สาระเลยเนี่ยหลวงุท่เทศเคยสอนนะบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจนะไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติทาไมต้องเรียนเข้ามาจนถึงจิตถึงใจ เพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตนะมรรคผลเกิดที่จิตตัวที่ทำให้จิตรวมลงที่จิตนี่แหละคือสมาธิที่ถูกต้องงั้นสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธินี่ะเป็นตัวรวมองค์ธรรมฝ่ายกุศลท่าไหให้ประชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันประชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันในพริบตาเดียวกันนั่นเอง ถึงจะเกิดพลังงานมหาศาลขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญาและคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยประชุมลงที่จิตด้วยอํานาจของสัมมาสมาธินะถึงจะมีกําลังล้างกิเลสเหมือนการล้างกิเลสนี่ไม่ล้างที่อื่นเลยจะต้องมาล้างที่จิตนะกิเลสก็เกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นเราต้องมาค่อยฝึกนะค่อยเรียนจนได้สติขึ้นมามีสติแล้วก็มา คอยรู้เท่าทันจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันเมื่อเรารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้กิเลสจะขาดสะบั้นไปจิตจะมีสีนันตโนมัติเกิดขึ้นนะการรักษาศี น, นี่ไม่ใช่รักษาที่มือที่เท้าที่ปากนะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในการที่มีสติรักษาจิต งิ้นเวลารักษาศีลเนี่ยจะรักษาที่มือที่เท้าที่ปากไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาก็าไม่ใช้มือใช้เท้าอะไรนะไม่ไปด่าเขาก็าไม่ใช้ปากนะอย่างเงี้ยนะถ้ารักษาศีล ร, รักษาที่มือที่เท้าที่ปากนั้นะโดยเฉพาะรักษาที่ปากนี่ยากมากเลยนะรู้สึกไหมเราพูดเพ้อเจอทั้งวันเลยใครรู้สึกว่าเราพูดเพ้อเจอบ้างไหมมาตรฐานคําว่าพูดเพ้อเจอก็คือ พูดโดยไม่จําเป็นจะต้องพูด <c oughs> ใครรู้สึกไหมว่าเราพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดวันหนึ่งเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเจอคนแล้วเราก็ต้องทักนะทักทายอะไรอย่างนี้นะไม่ถือว่าเพอร์เจอร์นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยโดยธรรมชาติหลวงพ่อชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ ต, ตั้งแต่เป็นฆราวาสนะเวลาว่างๆนะก็อยู่ในห้องคนเดียวไม่ยุ่งกับใครหรอกเงียบๆไม่พูดหรอกนะ เพามาเป็นพระเนี่ดูพูดปากเป็นหนังตะลุงเลยแง็บเง็บเงบทั้งวันเลยทําไมล่ะไม่พูดไม่ได้ดี๋ยโยมโกรธเดียโยมโกรธโยมมันบับกําอีกนะแล้วก็ต้องพูดพูดนะมาถึงก็มานั่งจ้องตาแปว๋วเลยแทนที่จะภาวนาจ้องรอให้เราพูดอะไรย่ววางเงี้ยเราก็ต้องพูดนะเสียงแหบเสียงแห้งบางทีต้องพูดต้องทักทายแต่หลวงพ่อทักทายไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกไหม คำทักทายของหลวงพ่อมีอยู่อันเดียวแหละพ่อวนาเป็นไง <c oughs> งั้นใครเจอหลวงพ่อนะเครียดไปหมดแนหะเจอหน้าต้องส่งกันบ้านทักอย่างอื่นไม่เป็นจะทักว่าสบายดีหรืออะไรเงี้ยต้องคิดนะถึงจะทักว่าสบายดีเหรืออะไรเงี้ยนะต้องคิดนะถ้าให้ทักอัตโนมัติง่ายภาวนาเป็นไงตอนเนี้ยได้เรื่องไหมสติเกินไหมจิตถึงฐานไหมอ้ยจะถามไปอย่างนั้น เพราะนั้นกาทักทายปฏิสันถานอะไรเนี่ยเป็นเรื่องมารยาทอะไรเงี้ยไม่ถือว่าเพอร์เชอนะเพอรเชอรหม่ไม่จําเป็นต้องพูดพูดไม่รู้จะเลิอกนะอะไรเงี้ยจะพูดคําหยาบแต่ถ้าเป็นคําที่ชินนะชินปากไม่ถือว่าหยาบนะเออยังมีพระองหนึ่งพระอราหารันต์เนียเจอใครท่านเรียกไอ้ถอยเจอใครก็ว่าไอ้ถอยไอ้ถอยว่าไงไอ้ถอ ย, ว, ไไอถอยว่าไงอีถอยนะ ฟังแล้วโอ้โห و, ไม่เพลาะคนไปฟ้องผู้ชา่ชาผู้เช่าท่านไม่ได้พูดคําหยาบหรอกเป็นความเคยชินวัสนารรมท่านเป็นอย่างนั้นไม่ชอบก็อย่าไปคุยอะท่านซะ ก, ก็หมดเรื่องท่านไม่ว่าหรอกเนะนี่ยเราจะรักษาศีลได้ดีนะถ้าเรามีสติรักษาจิตคอยรู้ทันไม่มีสติไม่ศีลก็จะรักษาง่ายรักษาที่มือที่เท้าที่ปากรักษายากนะถ้าเราจะให้มีสมาธิเราก็ใช้สตินี่แหละ รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปสองอย่างองเคลื่อนไปคิดนั่ตามใจกิเลสนั่คิดนู้นคิดนี้ไปก็เคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะถ้าไม่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งนี่เป็นหลักๆของนักปฏิบัตินะนี่จริงมันเคลื่อนได้6ช่องเลยเคลื่อนไปดูก็ได้เคลื่อนไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรเคลื่อนได้หมดอะเคลื่อนไปทางใจตรงที่เคลื่อนไปเนี่ยเป็นการสุขาริการุโยกละ นะแต่ถ้าเคลื่อนแล้วไปแช่อยู่ในรมเัเดียวก็จะไปเป็นอัตตะกิลมฐานุโยกไดนะ้แค่ว่าจิตเคลื่อนไปมีสติรู้ทันนะสมาธิคือความไม่เคลื่อนก็จะเกิดขึ้นความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแนละแล้วถ้าจะเจริญปัญญาก็คือเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีสติอีกแหละแต่คราวนี้สติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจ ด้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะเกิดปัญญาเห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจแม้สติทั้งนั้นเลยนะมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตนี่กิเลสไม่เกิดที่อื่นเกิดที่จิตพอรู้ทันปุ๊บกิเลสครอบงำจิตไม่ได้สีนันตโนมัสจะเกิดมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจะเคลื่อนไ ป, ค, นไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิที่ดีไม่ต้องไปบังคับว่าห้ามเคลื่อนนะ ม่ใช่เคลื่อนแล้วไปดึงคืนอย่างนี้สมาธิที่เร็วจิตจะแน่นๆว่าทําำด้วยโลภะแค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนนะั่นจิตจะตั้งมั่นาอัตโนมัติขึ้นมาสบายรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจก็จะได้ปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่สภาวธรรมที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่าปัญญา ถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดนะจะเห็นว่าธาตุขันกายใจของเรานี้แหละเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยเป็นก้อนทุกข์จริงๆนะจิตก็เป็นก้อนทุกข์นะกายก็เป็นก้อนทุกข์นะจิตนี่เป็นก้อนทุกข์ที่แสนสาหัสยิ่งกว่ากายอีกนะจิตดวงเดียวนี้แหละเป็นเชือ้อมีเชื้อพันุ์ให้เกิดนะจิตดวงเดียวอย่างลงสู่พบพใดนนะั้ก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่เหมือนเมล็ดต้นไม้นะ หยอดลงดินไปเอาน้ำรดเข้าไปนะเดี๋ยวก็งอกต้นไม้ขึ้นมาทั้งต้นนีเชื้อของความเกิดที่อวิชชาอยู่ที่จิตนี่เองทำลายลงไปได้นะทำลายอาวิชชาตรงไท้ด้วยความเห็นแจ้งว่ากระทั่งจิตนี่ก็เป็นก้อนทุกขนะ์จะสลัดคืนจิตทิ้งเลยนะ ก็รกรู้ถูกขแจ่มแจ้งนะเมื่อรู้ถูกแจ่มแจ้งก็ละสมุทยัยละความอยากในขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะนั้นนะเกิดอริยมรรคเกิดอรหัตตมรรคในขณะนั้นเังนั้นการรู้ถูกละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยธรรมะอย่างนี้ไม่มีในคําสอนของคนอื่นมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะไห้พวกเรามีบุญแล้วล่ะ ได้เกิดมาในยุคที่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอยู่นะชาติโน้สมัยพุทธกาลเราอาจจะเป็นลูกศิษย์เทวทัตก็ไดนะ้อาจจะเป็นลูกน้องนางจินจะมานะวิกานะอะไรเงี้ยก็ได้มาคันพิยานะแต่ได้กลับตัวกลับใจกลับมาเป็นคนได้นะก็รีบภาวนาเขานะอนาคตไม่แน่นะรีบภาวนาเบื้องต้นฝึกให้มีสติ สติรู้เท่าทันจิตใจไปได้เลยศนะีล ส, สมาธิปัญญาก็เกิดได้ไม่ยากหรอกอไปกินข้าวนี่หมดนะครับ